ไขแสงกขแจงแล้วฝูงวิหกร้องเจ้ยแจ้วสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมู่ปรษายังขยันหมันหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใยเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเก่าจิตเป็นนิจสินสแสวงหาพระธรรมองค์สัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งมนตินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักอย่าช้าชักจะเกินการสุดแก้ไข เ็าบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณะภายนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองขอวิ่งวอร์ณท่านจงไต่ตองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอนุสัยเป็นบจจใจในภายหน้าเป็นปัญญาบรารมีชี้แจใสายเมื่อไม่หลงเพิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญลังสายตื่นขึ้นรับสับธรรมธรรมะเก็บตกรับบรุณหายไปครึ่งปีกว่า วันนี้กลับมาอีกแล้วโดยจะนําเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณโยมฟังอาจารย์พิพ่พีทภูมิแก้วเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปอบรมให้คนคิดเป็นที่จังหวัดศรีสะเกษก็ได้โทรเรียกที่ศูนย์ให้แท็กซี่มารับที่บ้านแท็กซี่ก็ยี่สิบบาทถ้าโทรเรียกนะโทรตามให้มาที่ทบ้านสะพั่งเรนแท็กซี่ก็มาเพื่อไปส่งถามบีดอนเมืองตอนนั้นก็ประมาณตีห้ากว่าหน่อย ขณะที่รถกำลังวิ่งไปแท็กซี่ก็ตีสดิตมาชวนคุยเรื่องนู้เรื่องนี้รถก็วิ่งไปทางถนนลาบินทาถนนระหนเมื่อก่อนเส้นนี้ก็เปียวแท็กซี่ก็พยายามเล่าเรื่องอดีตให้ฟังไงบอกเมื่อสมัยเมื่อ14บีปีก่อนบ้านตนเองอยู่แถวลาดพร้าวร0 5ยห้าแถวนั้นเปียวมากจะหานั่งรถผ่านก็ยากสมัยนี้เนี่ย แค่เรียกรถรถก็ลัรับถึงบ้านแล้วสรุกสบายมาก่อนมากตอนนั้นลูกของตนเนี่ยอายุได้หนึ่งขวบและป่วยหนักมากเลยเป็นไข้ขึ้นสูงปากเขียวหายใจด้วยออกแค่ตกใจมากรีบอุ้มลูกเนี่ยมาหารถเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลราวิถีแต่ไม่มีรถโผล่มาสักคันหนึ่งจนกะเหนื่อย ไม่มีทางเลือกจึงอุ้มรุมกลับไปที่บ้านไปตะโกนเรียกข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านมีรถปิ๊กอัพไงแกก็บอกให้ไปช่วยส่ ง, งโรงพยาบาลจะเอเท่าไหร่เพื่อนบ้านก็เรียกห้าร้อยแกถืกไม่พอใจนะพรรู้สึกว่าเป็นราคาที่ขูดรีดเพราะว่าสมัยนั้นถ้านางจากพระโขนแถวลาดพร้าวเนี่ยไปลงพยาบวิถีเนี่ยคำนวณราคาแล้วก็ไม่น่าเกินร้อยรถไม่ติดอะ แกก็เลยมีความสึกว่าเพื่อแบบเราเปรียบมาขุดริ ก, กันตอนที่เดือดร้อนแกก็เลยมีความสึกว่าแขนใจตลอดเจอผู้โดสายคนไหนที่มานั่งแกก็เล่าระบายให้ฟังแกก็ด่าสารพัดหละด่าห ย, ยาบๆไปคายว่าไอ้นี่เนี่ยไร้ด้่งใจเอาเปรียบเห็นกับตัวอาจารย์พี่พิษก็นั่งฟังหลังจากโชเฟอร์เดีย่ยพูดจนเหนื่อยอาจารย์พิพิษก็พูดขึ้นบ้างแกก็ถามว่าคุณเชื่ออะไรแกบอกแกชื่อนิยม อ่าคุณนิยมขับรถแท็กซี่วันละกี่ชั่วโมงแท็กซี่เดียเขาคิดเป็นกะนะกะกะละสิชั่วโมงแกบอกว่าขับว่าหนึ่งเจ็ดชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วไม่มีแรงขับต่อแล้วแต่พี่พีก็พูดต่อคุณนิยมคุณขับแท็กซี่เนี่ยสมมุติขับมาเจ็ดดชั่วโมงแล้วเหนื่อยวันนั้นคุณ น, นอนสี่ทุ่มเนี่ยถ้ามีคนมาตามให้ไปส่งแบบมิตทุระด่วนเนี่ยโดยให้เงินคุณเ0็รอยคุณจะไปไหม โอ้ oh, ไม่ไปหรอกขนาดนั้นแหมร่างกายตำลังพักผ่อนสุขภาพสามคัญกว่าเงินมากครับอ้าวแล้วเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยคุณขับแท็กซี่เนี่ยคุณยังไม่ไปแล้วเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยกาลังพักผ่อนอยู่ครอบครัวเขาอาจจะทำงานหนักกับคุณก็ได้จู่ๆเขาไม่มีทางเลือกเลยมีเพื่อนบ้านเนี่ยอุ้มลูกที่กำลังชักหายใจไม่ออกมาหาและให้ไปส่งเนี่ย เขาก็จำใจจำใจต้องไปถ้าวันนั้นเขาไม่มีรถเขาไม่น้ำใจลูกคนตายแน่นอนถ้าพ่อของเด็กมันคิดเป็นนะกำเงินพันหนึ่งใส่กระเป๋าให้เพื่อนบ้านเนี่ยป่านี้ก็จะเป็นคนที่มีความสุขมากแต่พ่อของเด็กมันคิดไม่เป็นยิงเที่ยวด่าคนที่มีบุญคุณช่วยชีวิตลูกไว้ ให้ผู้โดยสารฟังและก็นี่คงจะไม่ใช่เป็นครั้งแรกคงถูกเล่ามาหลายคนแล้วแท็กซี่ได้ยินดังนั้นเนี่ยแกก็มองไปที่กระจกแล้วค่อยๆใช้ความคิดสักพักหนึงแกก็เอ่ยคิดว่าแล้วก็ถามว่าท่านจะไปไหนครับอตพีวิก็บอกจะไปอบรมคนให้คิดเป็นเอ๊ะทำไมต อ, อนนั้นทําไมผมคิดไม่ได้เหมือนที่ท่านพูดเลยนิยมนี่เริ่มคิดได้แล้ว ที่ผ่านมาะตัวเองเคิดผิดคิดลบกับเพื่อนบ้านมาตลอดเลยครับพี่พีทก็พูดต่อคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าคุณเอ่ยปากถามว่าจะเอาเท่าไหร่ถ้าคุณให้จากใจจริงเนี่ยเขาเรียกเท่าไหร่คุณก็ให้เขาไปชีวิตคุณจะสง่างามมากเลยแต่คุณอยากเข้าไปิเสพเลี่ยพอเขาไม่ไปเสพคุณก็แพนใจชีวิตลูกของคุณเนี่ยมีค่ามากงเงินห้าร้อยไม่รู้กี่หมื่นกี่พันเท่าตอนนี้แกเริ่มคิดได้แล้ว เพราะแกะทุกข์มาตั้งสิปีแกก็อยากจะไปไปขอขอโทษเพื่อนบ้านนะเพราะก็ย้ายไปสามปีเพื่อนบ้านเนี่ยจาพิชิตบอกว่าไม่ต้องไปขอโทษหรอกเพราะเพื่อนบ้านผมไม่ได้คิดแบบคุณเขาคิดว่าวันนั้นเนี่ยเขาได้ช่วยชีวิตเด็กคนนึงไว้แถมพ่อเด็กกินใจดีให้เงินมาห้าร้อยเขามีความปลื้มใจส่วนโชฟเฟอร์เนี่ยต้องตกนรกมาสิบสีปี ถูธรรมชาติลงโทษแล้วขันถึงดอนเมืองเนี่ยแกไม่เอาคานโดยสารนะอาจารย์พิ่ๆก็บอกว่าไม่ได้ต้องเอาโัแล้วแกก้มกราบเลยเหมือนพระมาโปรดอันนี้เป็นการวางใจหรือคิดในทางที่คิดผิดแหะเอาไว้ว่าวางใจผิดคิดผิดก็ทำให้ชีวิตทุกขนะ์อ่ะสิบสี่ปีที่นานนะก็มีหลายคนเนี่ยเกียด โกรธเกียดคนรู้คนนี้โดยที่คิดตัวเองคนเราคิดตัวเองเยอะบางทีก็ไม่เป็นอย่างทีเราคิดหรอกความคิดยิงเชื่อถือไม่ได้ถ้าเราคิดเป็นคิดในสิ่งที่ดีๆหรือคิดทางบวกหรือเห็นคุณงามความดีของคนที่เราคิดไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาทุกกับเรื่องอารมณ์เหล่านี้มีอีกเรื่องหนึง่งคล้ายๆกันเรื่องนี้เกิดขึ้นประเทศอเมริกาแม่ลูก กำลังขึ้นแท็กซี่ลูกอายุประมาณหกขวบผูชายแม่เก็แม่ลูกคุที่ผิวขาวนะขณะขึ้นรถไปแล้วเนี่ยเด็กก็กลัวเพราะเด็กไม่เคยเจอคนผิวดำคนขับเป็นคนผิวดำกลัวแล้วก็บอกแม่ว่าเนี่ยชายคนนี้โคมขนข น, นชั่วร้ายมากเลยถึงได้ตัวดำขนาดนี้โชเฟอร์ผิวดำได้ยินก็เสียใจแม่เด็กแม่เด็กก็เอ่ยขึ้นว่าลุงเขาไม่ใช่นชั่วร้ายจ้ะ เด็ ก, ก็เงียบใช้ความคิดแล้วเกิดขึ้นว่าถ้าไม่ใช่คนชั่วร้ายก็คงเคยทําอะไรที่เลวร้ายพระเจ้าถึงลงโทษให้ตัวดําขนาดนี้เมดเด็กก็ตอบว่าคุณลุงไม่ได้ทําอะไรเลวร้ายและไม่ได้ถูกอะไรลงโทษลูกสังเกตไหมที่สวนหลังบ้านเราเนี่ยดอกไม้มีสีแดงสีขาวสีเหลืองและมีอีกหลายสีแต่ต้นไม้ที่สวยงามทุกต้นเนี่ย ล้วนแต่มีมเมล็ดพันธ์สีดำเท่านั้นลูกชายก็เออจริงจริงครับแม่แม่ก็บอกว่าเนี่ยทุกคนเกิดมาบนโลกเนี่ยก็เพื่อสร้างสีสันเมล็ดพันธ์ดอกไม้สีดำก็ล้วนแต่สร้างสีสันให้ต้นไม้เนี่ยมีสีที่หลากหลายแก่โลกเด็กก็เปลี่ยนแล้วจากตอนแรกกลัวไก่ไม่กลัวแล้วบอกถ้างั้นลุงเป็นคนดี เวผมจะอธิษฐานให้พระเจ้าให้ของชายผิวดำนี่น้ําตาคอเลยเพราะไม่คิดว่าแม่เด็กและเด็กทำกับตนแบบนี้เพราะว่าคนผิวดำเนี่ยเป็นที่โดนดูถูกเหยียดหยาดจาคนทั้งโลกตื้นตันใจมากคันถึงจุดหมายแกก็ไม่ขอรับค่าโดยสารแล้วเอ่ยกับแม่เด็กว่าถ้าตอนนั้นนะแม่ของผมเนี่ยตอบเหมือนที่คุณตอบลูกเนี่ยชีวิตของผมคงไม่เป็นอย่างนี้แม่บอกว่า คนผิวดำเนี่ยเป็นคนต้องสาบเป็นบุคคลชั้นต่ำแกก็เลยรู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยอาภัพแกก็เลยน้อยเนื้อส่ำใจในโชคชะตาตัวเองอเหมือนรู้สึกว่าเป็นปมด้อยเรื่องนี้ก็มีแง่คิดนะถ้าเราคิดเราเองว่าเราเป็นคนตกต่ำมีปมด้อยเนี่ยชีวิตเราก็มีแต่ความทุกข์อย่างประเทศอินเดียเนี่ยมีการแบ่งชั้นวรณะไอ้คนวรณะ ยิ่าต่ำเนี่ยบางทีก็ต้องตกละกับลาบากบางคนก็ต้องไปขอทานอะไรมากมายไม่สามารถมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือจเจริญรุ่งเรืองได้เลยคือคิดแบบนี้ที่ประเทศเดียร์ศาสนาพราหมณ์นะก็ทําให้ทุกไดอ้อย่างอย่างอาตมาเนี่ยก็เคยปลูกต้นไม้มาชอบปลูกต้นไม้เมื่อไม่นานเนี่ยก็ได้ ดอกทานาวันมาออมาเปเด็กที่ผูหลงมานะดอกทานาวันที่แก่แล้วกล่าวว่าปลูกที่กุฏิลองปลูกดูเราก็ไม่รู้ว่าปลูกอย่างไงก็คิดว่าเอาเกรสรใส่พวกกละมังแล้วก็ดินมาใสา่เดี๋ยวเดี๋ยวดอกทานาวานก็ขึ้นนะแต่อัมาไม่ได้ใช้เม็ดปลูกนะอันนี้ปลูกผิดไนงะนี่ต้องตอนนั้นไปผูหลงวันที่ยีิบสองนี่ปลาเข้าไปครึ่งเดือนกว่าแล้วเพราะปลูกผิดไปดูในยูทูบเอา้ามันต้องใช้เม็ ใช่เม็ดปลูกไม่ใช่เกสรปลูกคือเราคิดว่าเป็นแบบดาวเรืองไงนั่นความรู้บางอย่างถ้าเราทำผิดสีได้มาครคือผิดไปคนละที่คนละทางเลยอย่างบางครั้งเราก็หน้าแตกอาจารย์ไพศาลท่านพูดบ่อยเรื่องหน้าแตกเนี่ยบางครั้งกลับไปเรื่องดีนะทาให้บางครั้งเราได้ยะอเย้ยตัวตัวเราบ้างย่อเย้ตาบางที่อัตตามันซ่าคิดว่าตัวเองเก่ง เมื่อไม่กี่วันก่อนอะมาะก็มีหน้าที่ช่วยถ่ายรูปให้กับวัดอะแหละถ่ายรูปพวกพระแม่ชีเพื่อติดฝาผนางังจะได้รู้ว่าคนนี้คนที่เป็นใครชื่ออะไรเราก็ทำมาทุกปีแหละปีที่ผานมาก็วางแผนจะถ่ายรูปไปเร็วที่สุดก็ใช้เวลาเนี่ยพระเนี่ยถ่ายไม่ถึงยี่สิบสชั่วโมงมันก็เสร็จทุกรูปเลยแม่ชีก็เหมือนกันก็ถ่ายเกือบหมดแล้วแหละ เรื่อ ง, องเรื่องมาสะดุดตรงที่ว่ามีแม่ชีคนหนึ่งขณะอาตมาอยู่ที่กุฎเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือหลวงพิโจูเนี่ยก็ไลน์ไปบอกบอกว่าเนี่ยแม่ชีคนนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะอาตมาก็อนึกในใจแม่ชีคนนี้ทําไมเป็นคนแบบนี้เนาะไม่กระตือรือดไม่เข้าใจบู่คณะเลยแล้วก็ออกจากกุฎมาที่โรงครัวมาตามหาแม่ชีเพื่อถ่ายรูป ก็ไม่เจอเอาก็ให้ตอ น, นั้นหลวงพี่ปามก็โทรสบไบตามแม่ชีแต่เราก็มีฟ้าคิดไม่ดีกับแม่ชียอะเลยนะคิดว่าแม่ชีนี่คนเหลวไหลมากเลยตําหนิเขาได้ใจไงไรู้เรื่องอะไรเลยแม่ชีเลยแต่พอหลวงพี่ป้มโทรไปแม่ชีก็รับสายแล้วเอ่ยว่าอาจารย์ถ่ายแล้วที่สะพานจำไม่ได้เหรออัตบานี่ ความคิดที่ว่าไม่ชี้ทลายหมดเลยมันเหมือนโดนหักมุมะหักความคิดอะ่ะคืออาตมาจ้องถ่ายอาจารย์ p a i s a เนี่ยตอนสภ า, าตอนเช้าก่อนวิสาบาอ์อ่ะอายไม่ชี้มาก่อนอาจารย์ p a i s a แล้วมันก็ถ่ายรูปแกไว้คนสุดท้ายอะ่ะแล้วตัวเองก็ไม่เอาลูกไม่ได้เอาลูกลงคอมไงก็เลยมีความว่าเอ๊ะลูปไม่มีตัวตนไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้อย่างไม่ชี้นี่ด้วยก็เลยทําให้รูปขาดไปนคนหนึ่งเป็นฝ่าผีของเราเองที่เราลืม แต่เราไปโทษไปชี้เราเป็นว่าไม่ดีว่าเหลวไหลอันนี้บางครั้งเราก็น่าแตกมีหลายเรื่องที่เราคิดว่าคนอื่นไม่ดีแต่ตัวเราอ่ะผิดเองก็มีนะบางทนะีเรื่องความคิดเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ความคิดบางทีเราก็เปลี่ยนมุมมองใหม่อยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์ไพศาลผูทิศราดาทำาธรรซานก่อนอาหารเช้าเนี่ย หรือท่านเราว่าเมื่อสมัยหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมีชายสองคนทะเลาะกันชายคนแรกเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเจ็ดคูณสามเนี่ยเป็นยี่บเอ็ดคนนึงมันก็บอกว่าเจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเท่ากับยี่สิบสองคนนี้ทะเลาะทั้งวันเลยไม่ยอมไม่ยอมกันไอ้นี่ก็ต้องยี่สบ็ดไอ้นี่ก็ต้องยี่สิบผลสุดท้ายตกลงกันไม่ได้ไอ้ชายคนที่มีความรู้สึกว่าเจ็ดคูณสาเป็นยี่เอ็ดอ่ะก็เลยไปฟ้องป่าวุญจินเพื่อป่าวุจจินตัดสิน ว่าตัวเองนะ่ยถูกเปาวินจีนแทนที่จะตัดสินกลับสั่งให้ลงโทษตีชายคนเนี้ยี่สิบไม้ข้อหาฟ้องสายแบบไร้าสาระแล้วก็โง่แต่เป็นทะเลาะ ก, กับคนคนนั้นอยู่ได้เรื่องนี้ดูวุ่นเผ่นไม่มีอะไรแต่มีสาระนะคนทั่วไปก็คิดแบบนี้แหละบางทีไปคุยกับคนอื่นแล้วเอ้คนนี้มันคุยไม่เหมือนเราเนี่ยเรื่องที่เราคุยอาจจะถูกต้องไนงะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้คิดเหมือนเราแล้วพูดอะไรที่แบบไม่ตรงข้อมูลที่เรามีไนงะ เราก็จะกำหนดว่าเขาเนี่ยผิดเขาโง่กว่าเราอะไรเงี้ยพยายามหาข้อบูลณาหาเหตุผลต่างๆเพื่อตัวเองชนะแล้วเสียเวลาด้วยอันนี้เป็นเรื่องไกล้ตัวเรานะอนามา ก, ก็เป็นบางทีเราเป็นผู้คนที่ไร้สาร ะ, ะเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ไม่เผืไปทะเลาะเขาด้วยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยในชีวิตเราเนี่ยมีมากมายเลยฟังเรื่องนี้แล้วเก็ตขึ้นมานดีเลยเออบางคนบางครั้งเราก็น่าคุยก็คุยบางครั้งไม่น่าคุยเราก็เออผ่านไป ไม่เอาถูกไม่เอาผิดคนเราที่มีปัญหาก็จะเอาถูกเอาผิดด้วยแหละเอ้ยฉันถูกนะเองผิดนะพอคิดงี้ปุ๊บเนี่ยมันมียตาเขาสอดแทรกไนงะคนจึงทะเลาะกันจากไม่จากเรื่องไร้สาระแล้วคนเรากา็ไม่ได้ดูที่หน้าตานะบางคนอะหน้าตาโหดร้ายตัวดำแต่จิตใจก็งามก็มีเยอะแยะบางคนหน้าตาหล่อเหลาใจร้ายก็มีอันนี้เอาแน่นอนอลไไม่ได้เลยก็เรื่องหน้าตาคน เราไปกําหนดไม่ได้อันนี้สิ่งต่างๆถ้าเราไปคิดตัวเองเนี่ยบางครั้งก็ก็คิดผิดอาจารยพิพิธแกพูดว่าเนี่ยคนเราจะยอมเปลี่ยนวิธีคิดได้ก็ต่อเมื่อมีคนที่มีความคิดหรือมีเหตุผลมากกว่าเขาจะยอมเขาจะยอมทันทีเลยถ้าเปลี่ยนวิธีคิดปุ๊บเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยน จากตัวอมาก็เปลี่ยนเยอะนะเมื่อก่อนมาก็คิดอะไรอีกมุมหนึ่งที่ของตัวเองอะทําให้ตัวเองทุกข์มากอะไรบ้างหรือปิดกั้นตัวเองไม่กล้าแสดงออกแล้วคนเราไปทุกข์ก็ความคิดเนี่ยอย่างหลวงพ่อฤทธท่าเนี่ยถ้าได้เขียนข้อเขียนไว้ข้อเขียนหนึ่งอดม า, า จ, จะมาอ่านให้โยมฟังอาจจะยาวไปบ้างข้อเขียนที่มีประโยชน์จงทํากับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราเขาเป็นเพื่อน เวียน่ายอยู่ในวัฏสงสารด้วยกันกับเราเขาก็ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเหมือนเราย่อมพังเผอไปบ้างเขาบีราคะโทสะโมหะไม่น้อยไปกว่าเราเขายอมพังเผอบางคราวเหมือนเราเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเหมือนเราไม่รู้จักนิพพานเหมือนเราเขาโง่ในบางอย่างเหมือนที่เราเคยโง่ เขาก็ตามใจตัวเองในบางอย่างเหมือนที่เราเคยกระทำเขาอยากดีเหมือนเราที่อยากดีเด่นดังเขาก็มักจะกอบโกยและเอาเปรียบเมื่อมีโอกาสเหมือนเราเขามีสิทธิ์ที่จะบ้าดีเมาดีหลงดีจมดีเหมือนเราเขาเป็นคนธรรมดาที่ยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆเหมือนเรา เขาไม่มีหน้าที่ที่จะเป็นทุกข์หรือตายแทนเราเขาเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนากับเราเขาก็ทำอะไรด้วยความคิดชั่วแล่นและ ผ, ผุนผันเหมือนเราเขามีหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวของเขาม่ใช่ของเราเขามีสิทธิ์ที่จะมีรสสิยม ตามพอใจของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกแม้ศาสนาตามพอใจของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะใช้สมบัติสาธารณะเท่ากันกับเราเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าเท่ากับเราเขามีสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจจากเราเขามีสิทธิ์ที่จะรับอภัยจากเรา ตามควรแก่กรณีเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นสังคมนิยมหรือเสรีนิยมตามใจเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเห็นแก่ตัวก่อนเห็นแก่ผู้อื่นเขามีสิทธิ์แห่งมนุษย์ชนเท่ากันกับเราสําหรับจะอยู่ในโลกถ้าคิดกันอย่างนี้จะไม่มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นข้อเขียนนี้อุทล า, าอ่านแล้วสะดุดใจนะไอเขาไมาเหมือน ก, นกันกับเราเนี่ย เราก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนจากความไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเราเคยโง่ามาก่อนแล้วเราก็เคยเคยพังเผล่ทำเรื่องต่างบางกีเราก็ไม่รู้เราเกิดมาทําไมได้วยซ้ำแล้วอะไรตอบว่าอะไรอีกหลายเรื่องเราก็ไม่รู้เลยแต่เราไปเข้าใจคนอื่นในมุมมองของเราไงบางทีถ้าเราคิดแบบที่หลวงพ่อพุท ธ, ธาเขียนเนี่ยโอ้เราจะอยู่จะมีความผาสุกเลยไม่แย้งเลยแหละ เพราะคนเราเนี่ยที่จริงมีความทุกข์มากกว่าความสุขนะอุปสรรคต่างเนี่ยมันมาสอนธรรมให้เราอย่างปีนี้ก็มีภัยแล้งภัยแล้งน่ากลัวนะภัยแล้งปีแล้วก็แล้งทั้งร้อนผลก็ตกน้อยมาปีนี้ก็เจอโรคระบาดโควิดทำให้คนบางคนเนี่ยปวดเ น, นืงบปดตัวคนบางคนเนี่ยเสียผู้เสียคนฆ่าตัวตายไปก็มีแต่บางคนก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงเก็บตัวเนี่ย หันมาศึกษาธรรมะหันมาปฏิบัติธรรมบางก็มาวาดรูปบางก็มาอยู่กับครอบครัวบางก็ปลูกต้นไม้ซึง่งมีหลายคนเนี่ยที่ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสมาทบทวนชีวิตในอดีตที่เราทําทำให้เรามองเห็นในอดีต่าที่เราทําผิดพาาลาดมากมายเลยตัวธรรมาก็เหมือนกันบางทีเราทําผิดพลาดแต่บางทีเราก็ไม่เห็นนะถ้าเราเราไม่มองแบบต า, าพาม็นจริงอะไรเขาข้างกิเลสตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็นคนดีที่จริงเราก็ไม่ใช่ดีเท่าไหร่หรอกแต่คีเลียมากบอกว่าเราเป็นคนดีเชื่อไม่ได้พวกนี้อุปสรรคต่างๆเนี่ยมันมาสอนทํามาร์กให้เราไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นธรรมชาติเป็นคนอย่างเรามาอยู่วัดเนี่ยอุปสรรคเยอะแยะเลยอุปสรรคก็มีบางกลุ่อาจจะมีตุ๊กแกตุ๊กแกบางทีก็กางคือนนอนมาร้องเสียงดังถึงไม่ร้องบางทีก็ขี่รถใส่เลยขี่รถใส่ที่นอนบ้างขี้เหม็น หรือบางทีก็ทำให้ตกใจกลัวหรือแมงบมตัวใหญ่หรือมดมดนี่ก็เป็นสัตว์ที่น่ารำคาญว่ะแล้วมีหลายพันด้วยแมงวีแมงวานสิ่งที่ทุกคนต้องไปเชยคือยุงยุงวัดป่าสุก โ, โตจะดุมากเลยถ้าฝนตกนะมีทั้งตัวใหญ่มีทั้งตัวเล็กสิ่งนด้มาสอนธรรมะกับเราให้เรามีจิตใจเข้มแข็งยิ่งขึ้นแล้วก็อุปสรรคจากความยากลาบาก ถ้าเราไม่อดทนเนี่ยอย่างเรามาทำบ้านเราต้องเจออุปสรรคแล้วโอ้โหบางทีกว่ายัยยตื่นเนี่ยก็ต้องฝืนนะบางทีนอนไม่ค่อยพองเนี่ยทำบ้านตีสี่ตีสามเราก็ต้องตื่นแล้วแต่ถ้าเราปรับตัวสักพักหนึ่งเราก็สบายเพราะร่างกายมันเก่งนะร่างกายจะสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ก็จะทําไปนานก็ไม่ต้องฝืนสามารถปรับตัวปรับใจได้แล้วมีอื่นเยอะบางทีทํา้านที่อะจารย์ไพศาแสดงก็กระแทกกระแทกกีเดตเราแหละ บาทีกิเลสเราบางเรื่องเนี่ยโดนท่านหักบูมกระแทกอัดท่าไม่ได้เจตนาหรอกแต่เราเน่ยเป็นคนแบบที่ท่านพูดนั่นแหละบางหลายเรื่องอย่างเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ท่านก็พูดกับนิ้วกลมสนทนากันอารมาก็ฟังนะตั้งต้นจนจบเลยนะฟังแล้วได้มีมุมมองใหม่ๆหลายมุมเลยก็ไปตัดแต่งทำเป็นเ p 3ว่าอันนี้จะเปิดให้พวกโยมฟังที่สาราน้าประมาณชั่วโมงครึ่งเขาบางมุมแล้วคิดว่าอาจารย์ท่านก็กล้าพูดนะถ้าเป็นคนอื่นไม่กล้าพูดนะ อีกหลายมุมคนทุกคนจะเข้าใจอาจารย์ดีขึ้นถ้าฟังฝายเสียงไฟนี้ถ้าเราเปิดใจเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นคนปิดกั้นตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเราก็วนเวียนอยู่ในล่องเดิมๆนิสัยเก่าๆ เ, เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เราอยากคนรักเราก็ต้องทําความดีช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีเมตตาสัมปสัดถ้าเราไปชอบเกลียดคนนู้นคนนี้คนอื่นเขาเกลียดเราเหมือนกันถ้าเราเห็นกับตัว คนก็ไม่ชอบเราถ้าเราเป็นคนที่มีเมตตาไม่เห็นแก่ตัวคนก็ชอบเราทำพรมีเพื่อส่วนรวมอะไรเงี้ยอยู่ที่เรางั้นเลยไม่ได้เกี่ยวคนอื่นหรอกฉะนั้นวิธีคิดเปลี่ยนตัวเองง่ายอดี๋ยไมเปลี่ยนคนอื่นคนอื่นเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะคนเราสั่งสมนิสัยไม่เหมือนกันอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอยุติแค่นี้ขอคากสุขกว่าเจอท้าวจงมีญาติโ ย, ยมยิ่งขึ้นไปสาธุ